การพัฒนาความสุขที่ตรงตามความหมายจะเรียกร้องความเพียบพร้อมแห่งการพัฒนาคุณสมบัติทั้งหลายซึ่งมนุษย์ที่สมบูรณ์ควรจะมีขึ้นมาเองเรื่องที่ความสุขเป็นจุดหมายของการศึกษานี้ได้เคยพูดเคยเขียนไว้ที่อื่นแล้วคือ 1. นงห น, งหนังสือเรื่องการศึกษาเครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา 2. งหนังสือเรื่อง แง่คิดข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา 3. หนังสือเรื่องสันติภาพเกิดจากอิสรภาพและความสุขจึงขอใช้วิธีง่ายๆคือจับข้อความที่ได้พูดได้เขียนไว้แล้วมาจัดเรียงต่อกันตามที่พิมพ์ไว้ในหนังสือสองสมเล่มนั้นได้ความดังนี้การศึกษาจะต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะทาให้คนมีความสุข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 จนกระทั่งเขาออกไปพร้อมด้วยความหิวโหวยนี้แล้วโลดแล่นไปในสังคมเพื่อสแสวงหาความสุขให้กับตนเองและแย่งทิงความสุขกันแล้วก็ก่อความเดือดร้อนเบียดเบียนแก่ผู้อื่นคนที่ไม่มีความสุขนั้นเมื่อมีความทุกข์ 1. ก็จะระบายความทุกข์ให้แก่ผู้อื่น2ก็จะกอบโกยหาความสุขให้กับตนเองถ้าอย่างนี้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 ที่สูบหรือดูดความสุขออกไปจากตัวเด็กหมายความว่าเราได้ทำให้คนเป็นผู้หิวโหวยขาดแคลนความสุขเพราะฉะนั้นพอสำเร็จการศึกษาไปใจก็มุ่งแต่ว่าทีนี้แหละฉันจะหาโอกาสกอบลวยความสุขให้มากที่สุดถ้าการศึกษาเป็นแบบนี้การศึกษาจะต้องเป็นผิดไม่ใช่การศึกษาที่ถูกต้อง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 สภาพใจิตใจที่ขาดแคลนความสุขอย่างนี้เป็นกันดาดเดินปรากฏให้เห็นทั่วไปในสังคมทุกวันนี้ดังนั้นจะต้องมาทบทวนและเน้นย้ำกันว่าการศึกษาที่แท้คือการทําให้คนมีความสุขและรู้จักวิธีที่จะหาความสุขอย่างถูกต้องคนที่มีการศึกษาในความหมายนี้ก็คือคนที่ได้รับการฝึกฝนพัฒนาแล้ว ให้รู้จักแก้ปัญหาดับทุกข์ทาตนให้เป็นสุขได้แล้วจากนั้นก็พัฒนาก้าวขึ้นสู่ความสุขที่ประณีตยิ่งยิ่งขึ้นไปพร้อมทั้งสามารถเผื่อแผ่ขยายความสุขแก่ผู้อื่นได้กว้างขวางออกไปด้วยคนมีความทุกข์ย่อมมีความโน้มเอียงที่จะระบายทุกข์ออกไปแก่ผู้อื่นและแม้แต่จะหาความสุขด้วยการระบายความทุกข์เมื่อเขามีทุกข์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 เราจะต้องทำให้คนมีความสุขเพื่อให้ความสุขแพ่ขยายออกไปในโลกดังที่ได้เป็นจุดหมายด้านสังคมที่ท่านใช้คำว่าอัพพยาปัจฉังสุขขังโลกังแปลว่าเข้าถึงโลกที่เป็นสุขไรการเบียดเบียนมนุษย์จะต้องทำเพื่อจุดหมายนี้คือช่วยกันทำให้โลกมีความสุขยิ่งขึ้น